จำนวนไม่น้อยก็รู้สึกว่ามันเป็นนามธรรมมากแม้กระทั่งคนที่มาสนใจธรรมะแล้วก็อาจจะยังมีความรู้สึกหรือความเข้าใจแบบนี้อยู่จริงๆธรรมะเนี่ยถ้าจะสรุปให้กระชับเนี่ยมันต้อมีแค่สองเท่านั้นเลยนะถึงแม้ว่าจะมีคํากล่าวว่าธรรมะนี่มีถึงแปดหมื่นสี่พันประธรรมขัน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 ก็คือการไม่พูดเท็จไม่ใส่ร้ายไม่พูดส่เสียดไม่พูดถ้อยคำที่หยาบคายทำดีนี่ก็อะไรก็คือก็ศีนั่นศีนั่นเองนะการทำดีเป็นสิ่งที่ต้องทำนะถ้าปรารถนาความสุขอย่างที่พูดไปตั้งแต่วันแรกนะว่าบุคคลเนี่ยเมื่อรักตนเยย่อมไม่เบียดเปรียนผู้อื่น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 สามารถที่จะป้องกันไม่ให้มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเกิดขึ้นกับเราลองคิดดูง่ายๆถ้าเกิดว่าเรานะไปผิดสี่งแค่ข้อเดียวนะี่คือข้อสุรายาเมาสิ่ข้อ5เนี่ยชีวิตเราเนี่ก็คงจะมีเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนตามมามากมายโดยเพราะถ้าเกิดว่าถึงขั้นติดเหล้าไหนจะสุขภาพย่าแย่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 ขับรถชนสาไฟฟ้าตกคูรถนะพลิกความตายความทุกข์ความเดือดือร้อนใจนี่มันจะลดลงไปได้เยอะเลยนะเพียงแค่เราถือศีลข้อห้าข้อเดียวยิ่งถ้าเราถือศีลอีกสี่ข้อที่เหลือเนี่ยอย่างมั่นคงเนี่ยมันก็จะช่วยนะป้องกันความเดือดร้อนไม่ให้มาถึงตัว ได้มากมายราะในคนที่รักตัวเองอย่างแท้จริงหวังความสุขความเจริญก็นะต้องนะรักษาศีลให้ดีอันนี้ก็เป็นส่วนของการทําความดนะีแต่ถ้าเรานี่ไม่เพียงแต่รักษาศีลแต่เราทํามากกว่า น, นั้นนะเช่นการให้ทานการช่วยเหลือเ อ, อื้อเฟื้อเกือ้อกูลผู้อื่นผู้นี้ก็จ่อเป็นศีล น, นะศีลมันเป็นเรื่องของความประพฤติ ที่ดีงามหรือถ้าพูดง่ายๆคือทำดีคาว่าทำดีนี่มันครอบคลุมว่านอกจากจะไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วนะก็ยังช่วยเหลือเือฟื้อเกือเก้อกูลผู้อื่นด้วยนะทำร้าะนี่เรียกว่าครึ่งหนึ่งเลยก็ได้นะเป็นเรื่องการทำความดีแลาทำความดีนะั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะกายวาจาแต่รมถึงใจด้วย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 แต่เรื่องของการให้ทานแลการรักษาศีลั้นเพียงแค่เรารู้จักทำความดีเป็นกิจวัตรสม่ำเสมอเนี่ยนันจะช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะทีเดียวแต่ว่ามันไม่สามารถจะลดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทำความดีแล้วก็ไม่ได้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 มันสามารถที่ป้องกันอันตรายไม่ให้มาถึงตัวเราได้แต่ไม่สามารถจะป้องกันได้ร้อยเอร์ซมันก็จะมีความทุกข์จํานวนหนึ่งนะที่สามารถจะฝ่ากำแพงแห่งความดีหรือปุลกุศลเนี่ยมาถึงตัวเราได้เช่นอะไรนะก็เช่นความแก่ความเจ็บแล้วความป่วยความพัดพลาก รวมทั้งที่ย่อมยาวกว่านั้นเช่นการตำหนิตีเตียนการนินทาว่าร้ายอย่าไปคิดว่าถ้าเราทำความดีนะเราสร้างบุญกุศลมากมายแล้วนี่จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นกับเราคนที่เข้าใจแบบนี้เนี่ยนะเรียกว่าคิดผิดละมีหลายคนนะพอจะป่วยนะเป็นมะเร็งก็จะตีโพยตีพายว่า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 น, นั่นเป็นความเข้าใจที่ผิดนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ภาวะเช่นนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ธรรมดาท่ช้ท่าน ใ, ใช้คำว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ประจําโลกมันไม่ใช่ว่าเกิดเฉพาะคนชั่วคนดีก็เกิดเดี๋ยวว่าแต่คนดีเลยนะทั่วท่วไปเลยที่เป็นปุตตชนแม้กะระทั่งพระพุทธเจ้าพระองค์นี่ก็เป็นผู้ที่ไม่เคยคิดร้ายกับใครนะแต่ก็ยังมีคนมา แต่ก็ยังยังเจ็บยังป่วยแถมมีคนมุ่งร้ายเอาชีวิตอีกนะมีทั้งคนมุ่งร้ายด้วยการใส่ร้ายอย่างเช่นนางจินนมานวิกามีคนที่มุ่งร้ายถึงเอาชีวิตอย่างเช่นพระเทวทัตนี่ขนาดเราถ้าเราเนี่ยไม่มีใครมุ่งร้ายเอาชีวิตนี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะเพราะขนาดพาระเจ้าเรียกว่า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 ไม่ตำหนักว่าเนี่ยมันเนี่ยนี่คือความจริงที่มันอยู่คู่โลกด้วยเหตุนี้เนี่ยใครที่ปรารถนาความสุขไม่อยากจะให้ความทุกข์เข้ามาครอบงําย่ำยีจิตใจเนี่ยนอกจากจะต้องหรือมันทําความดีแล้วนะจะต้องฝึกใจให้เห็นความจริงด้วยการฝึกใจใหเห็นความจริงนี่มันช่วยยังไงมันช่วยตรงที่ว่าเมื่อ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 เกิได้อายุแค่วันเดียวนี้ก็ถือว่าแก่แล้วอย่างน้อยก็แก่กว่าเด็กทารกที่ยังอยู่ในท้องความสวคามเสื่อมมันเกิดขึ้นทันทีเมื่อเกิดขึ้นมาไ อ, คาอ้ความเสื่อมนี่เราทุกขังนะความเสื่อมความแปรปรวนแล้วทาไมมันถึงเสื่อมเพราะมันไม่มีตัวตนของมันเองอันนี้ก็คืออนัตตานะ ทำไมถึงทุกขนะ์ก็เพราะมันเป็นอนัตตาคือว่ามันไม่มีตัวตนของมันเองถ้ามีตัวตนที่เป็นอิสระมันก็ไม่มีความเสื่อมแต่เนื่องจากมันต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นนะพอสิ่งอื่นแปรปวนมันก็แปรปวนแล้วมันก็เสื่อมไปด้วยนั้นเราเริ่มต้นจากความไม่เที่ยงความไม่จรหลังเนี่ยพิจารณ า, นานมองให้ลึกก็จะเห็นทุกขังก่อนที่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 แต่มันเกิดจากการที่เราได้ได้ไตรตรองจากความจริงที่เกิดขึ้นคือต้องเจอเองเนี่ยมันถึงไค่อยถึงค่อ ย, อ ย, อยซึมทราบนะในความจริงเหล่านี้ใหม่ๆใจมันก็ต่อต้านนะพอร่างกายเราเริ่มแก่ทีแรกใจเราก็ต่อต้านนะแต่ว่าต่อไปใจมันก็จะยอมรับความจริงได้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 เขไม่มีความทุกข์กราดเกลียวเหมือนคนที่เป็นมะเร็งชนิดนี้ส่วนใหญ่ปกติคนมะเร็งที่เป็นมะเร็งชนิดนี้เนี่ยจะต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ใช่เพราะอายเท่านั้นนะแต่เพราะว่าถ้าไปเจอแสงแดดแรงๆแล้เนี่ยมันจะปวดระบบประสาทนี่มันจะทําปฏิกิริยากับแสงแดดแล้วก็รุนแรงมากยังต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วก็มีม่านคอยกันแดดเอาไว้ เพรนั้นภาในบ้านก็จะบรรยากาศก็จะถืมถไม่ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แล้วถ้าอยู่ไปนานๆก็อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้คนก็ไม่อยากจะมาหาแต่ว่าผู้ชายคนนี้นี่ไม่มีอาการอย่างนั้นหมอที่มาเยี่ยมก็แปลกใจนะว่าทำไมนะถึงไม่มีอาการ ก, ากรัดเกลียวหรือเป็นทุกข์ติโพยตีพายกระสับกระส่ายเลยก็ได้ความจริงว่าเนี่ยเป็นเพราะเมื่อแต่ก่อนนี่เขาชอบกินเหล้าเมา เมายามากจนกระทั่งครอบครัวก็แตกแยกลูกก็ต้องไปอยู่กับเมียเ <evet S 1> ขาไม่ได้ย้อนเราลึกถึงพฤติกรรมในหลหลังเนี่ยอันนี้จะเรียกว่ากรรมเก่าก็ได้น ะ, นะไอ้กรรมที่ทำในอดีตเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วยี่ิบปีที่แล้ ว, ลวก็เรียเป็นกรรมเก่าเขาพิ จ, จรารณานดูเออเขาก็ยอมรับได้ในที่สุดว่าไอ้มะเร็งนี่มัน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 และช่องที่เขาดูไปประจำคือ CNN CNN นี่มันก็โดยล้แต่เป็นมีข่าวคราวเกี่ยวกับภัยพิบัติโกระรบาดน้ำท่วมพายุแผ่นดินไหวนะสงครามเขาดูไปดูไปเขาก็ได้คิดเลยนะเออความทุกข์นี่มันเป็นธรรมดาโลกจริงๆมันทุกๆคนเนี่ย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 รบกวนน้อยลงหรือถ้าเห็นความจริงถึงขั้นระดับพระริยเจ้านี่ความทุกข์ใจก็ไม่มารบกวนเลยก็มีแต่ความทุกข์กายอย่างเดียวแต่ใจไม่ทุกนะเพราะว่าเห็นความจรงิงนอกจากเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเนี่ยนะการเห็นความไม่เที่ยงของโลกธรรมที่ก็สาคัญนะอย่างพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่ยังต้องเกี่ยวข้องกับโลก ต, ต้องอยู่กับโลกต้องทำมากินต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเนี่ย แม้อาจจะยังไม่เข้าใจใจลับอันนี้จังทุกข์ภาวตายังไม่เห็นซึ้งนะถึงใจนะแต่ว่าการที่เราได้เห็นความจริงว่าโลกธรรมไม่เที่ยงนะอันนี้ก็สำคัญมากโลกธรรมนี้มันมีแปดอย่างนะก็คือการมีลาบเสื่อมลาบนะมียศเสื่อมยศสารเสริญ ด, ดินทาแล้วก็สุขกับทุกมันจะเป็นของคู่กัน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 เราก็ไม่ทุกนะถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาโลกนะสารเสริญกับนินทาเป็นของคู่กันเดี๋ยวนี้บางคนจะเป็นจะตายให้ได้นะเวลาเพื่อนเวลาพราว่าตัวเองถูกอนะันเฟรนใน Facebook มีคนอันเฟรนตัวเองนี่โอ้เสียใจมากเลยฉันทำอะไรผิดนะเนี่ยฉันก็ทำความดีมาทำไมเขาอันเฟรนฉันทำไมก็ไม่คบฉันอันนี้เพราะยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาโลกนะ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 การพบกับการพลากการเจอกับการจากวันนี้ของคู่กันเมื่อเราตะหนักว่าเป็นของธรรมดาเป็นของคู่กันเนี่ยพอมันเกิดขึ้นพอฝ่ายลบเกิดขึ้นเราก็ไม่ทุกข์แล้วขณะเดยการพอมีคนสรรเสริญเราเราก็ไม่ยินดีเพราะเราก็รู้ว่าวันนี้เขาสรรเสริญผู้นี้เขาอาจจะตําหนิก็ได้นะวันที่เขาชื่นชมเราผู้นี้ก็อาจจะนินทาเราก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่คนเดียว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 หลานก็หงข้าวอีกนะบอกว่าคราวนี้ไม่ไหมนะแต่มันแฉะหลานก็เสียใจยาย ก, ก็บอกไม่เป็นไรมันธรรมดาหุงด้วยน้ำเนี่ยนะให้ข้าวแฉกับข้าวไม้นี่มันธรรมดานะเพราะว่ามันหุงด้วยน้ำกับหุงด้วยไฟแฉะก็ธรรมดาไหมก็ธรรมดานี่มันเป็นธรรมดาโลกนะการมีกับหมดพบกับพรา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 ถ้าเราปรารถนาความสุขแม้ว่าไอ้ความความทุกข์กลายเป็นสิ่งที่ห้ามยากสักวนหนึ่งก็ต้องเจอแต่ความทุกข์ใจเนี่ยเราสามารถที่จะอ่ายกจิตให้เหนือมันได้ที่นี่เนี่ยจะมีการสวดนะบทหนึ่งนะอยู่เป็นประจำาชื่อบทอภินถาปัจเจเวกเป็นเรื่องความจริงนะห้าประการที่ต้องพิจารณาอยู่เสมอ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 โดยเพราะเวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นมาก็เออมาสอนใจเราทราบว่าเนี่ยให้ความพัดพลาดยังเป็นธรรมดานะหนีไม่พน้นนะถ้าเราพิจารณาไม่ใช่แค่ท่องจําเท่านั้นนะใจเราก็ค่อยยอมรับความจริงไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งนะอ่ามีวลามีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเราเราก็ปล่อยวางได้ดงั้นเวลาพูดคำว่ายอมรับความจริงยอมรับความจริงเนี่ยนะบางทีมันนามธาทํานะ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 กับภาพพร้อมกัน